ปติวานพิจุณีต่อเป็นนี้ไม่ต้องเอาบาตรคือ910หนึ่งพิกุณีแสดงอานิสงส์แล้วกล่าวห้ามสองพิกุณีวิกลจริตสามพิกุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่หง